ر ่ดีตุบิลอัลลอฮฺ ا ับบะวบิลิสลา م ด ا, أ ل ่ س و ا ิมุฮัมมัดรรา م ซูละ ا ลลอฮฺมะอ ا นีอาอุบิคบินะ م ์ ع าส ب ิว ن ا อิลคิบริรั ا บีอาอุบิคบินะดาบินฟินนารีวะด ع บินฟินลัฟบรีั سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ล نفسه วาสีนาตาอาร์ชีฮิวมิดาดคำว่าที่ยั่ ل ยืนอย่าคุยมีรักมาที่คืออัลตั้งอัลสลิฉันนี่คือล่ะหัวและต้องคืนนี้แล้วนั่งที่ทั้งฝันทั้งหัวที่นั่งที่ติดตาม ตับซลอัลกุรอานผ่านเฟสวรร์ในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านทานทุกทุกท่า น, านครับลลากดงขอชค ก, กอลาอัลลอฮทีท่อัลลอฮให้ผมคอยยังชั่วแล้วก็มาสามารถมานั่งคุยกับท่านพี่น้องผ่านตับเซลลอัลกุรอานวนีมาถึงโซ อ, อัลอาคอบอาคอบนี่แปลว่าอะไรนะเนินทรายหรือภูเขาทราย วันนี้มีวันสําคัญเลือกตั้งนะครับอย่านอนหลับทับเสร็จไปก่อนทุกคนทําให้เลือกใครก็มีที่ที่ที่เขียนใช่ไหมกาต บ, บาดคตรงนั้นนะถ้าจะไม่เลือกใครก็กไปด้วยอย่าไปรับสตางค์ใครนะฮารอมเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงมีนะ่าบาปหมดเลยนะเขาเรียกว่าริชว่าสินบนในอิสลามห้ามรับสินบนห้ามจ่ายสินบนทั้งให้ทั้งรับหมดบาปทั้งคู่ วันนี้มาถึงอายาที่หกของสุรอะฮ์กอบนะครับอะลฮัมดุลิลละ وإذا ح و ش ر و الناس كانوا له من أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ดูเขีรนนะนี่พูดถึงเรื่องวันกิยามาหมดเลย วันเกี่ยมาทั้งว่าอัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเขาชี้เาไปว่าถูกถูกให้มาชุมนุมกันหลังจากไหนหลังจากตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ ถ, ถูกถูกถูกลากไปอยู่ที่ทุ่งมาชัด <c oughs> อย่างกุณอ่านอายาที่สุรทิแลวสุระ อ, อะไรนะยาสยาไปว่าคุกเขา คุกาวเนี่ยทุกคนคุกข่าวหมดเลยขอรอง อ, ลอลัลลอฮฺอย่าลงโทษอย่าคิดบัญชีแรงเอามาดูคนที่สิ่งที่เขาบูชานอกจากอาลัลลเนี่ยในวันกิยามาเป็นยังไงครับกานูละหุมอาดาอาดาปว่าศัตรูสิ่งที่ท่านบูชาทั้งหมดนะเป็นเป็นเป็นเป็นศัตรูกันหมดเลย พ่อแม่ลูกเมียภริยาเพื่อนฝูงนะถ้าไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยเป็นเป็นศัตรูกันหมดที่ไม่เรื่องจริงนะอัลอาคิลล่ะยาวมาอิซิมบาวดูฮุมหรบาวดินอดูคนที่รักกันบนโลกดุนยาใบนี้จะเป็นใครก็ตามอ่านยาวบาดูฮุมหรือบาวดินอาดูตามเป็นศัตรูซึ่งกันและกันพ่อแม่ลูกเมียพี่ชายน้องชาย เป็นคนที่ช่วยเหลือกันดูแลกันรักกันแต่ว่ามันจะรักกันเพื่ออารอล่ะเปเป็นศัตรูกันหมดนี่มัเรื่องจริงนะต้องการที่จะเตือนเราว่าวันนี้รักกันต้องเพื่ออัารอลนะจะเลือกตั้งคนก็ต้องเพื่ออารอลอย่าไปเพื่อมุ่งเพื่อนี้ถ้าไปเพื่ออย่างอื่นเนี่ยในะวันนั้นเนี่ยกลายเป็นศัตรูกันหมดเลยด่ากันแดงมึงนี่ละมึงนี่ละโทษกันไปโทษโทษกันมาวอิซาาชรนส เมื่อมนุษย์นี่ถูกให้ถูกให้มาชุมนุมกันกานูและหุมสำหรับพวกเขาเหล่านั้นอาดานเป็นศัตรูว่ากานู b ิ a i b a d a t ิ h i m k a ฟและการพักดีที่เขาบูชากราบว่าอิบาดาของพวกเขานนเนี่ยกาฟิรินพวกนี้มันไม่ยอมรับเนี่ยเจ้าเวททั้งหมดที่เรา บ, บูชาเนี่ยมันไม่รับรู้ด้วยมันไม่รู้เรื่อง มะกาบกูทําไมกูไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นที่นบีบรหีมเอาขวานไปไปอะไร น, นะไปไปฟันรูปเจเวีกเพราะนบีบรหิมเข้าใจปัญห า, าศาสนาแต่ก็ก็ถูกคดีไงถูกโยนใส่ไฟแล้วไฟไหม้ไหมล่ะไหะไม่ๆอย่างนี้เป็นตัววอีซาเฮชริรอนนาสเมื่อมนุษย์ถูกให้ชุมนุมกันกาโนละหุมอาดาพวกเขานี่เป็นศัตรูกัน ถูกให้ชุมนุมกันแล้วน่าจะรากกันใช่ไหมต่างคนต่างเป็นศัตรูซึ่งกันแล้วกันวากานูบี อ, อิบาดะทิหิมกาปีรินอิบาดะของพวกเขาเขาเขอกลาบอะไรไว้ลนะ่ะกาปรินปฏิเสธหมดไม่ยอมรับรู้อะไรเลยจะาเวททั้งหมดที่เขากลาบหรือว่าบุคคลที่เขากราบอยู่นะใครก็ตามนะชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งเกียรติยศ ตัวชานบนดุญยาเนี่ยไปในวันน้เขาเขาปฏิเสธเขาไม่รับรู้อะไทุท้งสิ้นนี่อัลอนเล่าหให้ฟังเป็นเรื่องจริงนะว وإذا ت تلا عليهم آية تنا بينا ล ع ลา ن าห ه ให้นบีให้นบีมาสอนแล้ ว, ว่าเมื่ออัลกุรอานนี่พูดถงกุรอานนะเมื่ออัลกุรอานนี่สุบุษขทาชายายทวงอ่าน ถูกบัญญายอะไรให้กับพวกเขามาถึงคนอาหรับโมเสกในนครมกาในวันนู้นเนี่ ย, นะานนยบายีนาะตินสัญญาของเรามาถึงคุรานของเราเนี่ยบายีนาะตอธิบายแบบชัดเจนแล้วกอ ล, ลล า, นะารีนักฟารูเพราะคนที่ปฏิเสธจะพูดกับกุรานเพราะคุ ร, า น, ครานเป็นเรื่ฮักเป็นความจริงทั้งหมดทุกอายาณ์ในคนาะบีคุรานเป็นความจริงหมดเลยไม่มีอะไรผิด Allah นำรองมาจาชันฟาเพราะเป็นวาฮีที่มาจาก Allah คนปฏิเสธอัลล h นีนะก็ครูแท้จริงผู้ที่ปฏิเสธเลือกฮักความจริงละ ม, มาจาอาฮุมละ ม, มาแปลว่าเมื่อจาอาฮุมมาอย่างพวกเขาแล้วฮาซาเซฮรุมเขาก็จะพูดว่า น, นี่เป็นมายากลเป็นมายาเรื่องกโกหกโมบินชัดแจ้งนี่ดากุนอันตันิกุรอาน คนบิดาุรานจำเรียกุรานนี่ถูกลงโทษแบบนี้แหละนั่นเรารนี่ตรงกันชามต้องน้อมรับกุรานทุกอายะทุกคำอ่านกุรานด้วยหัวใจที่มีที่ตั้งใจหวังรางวัลตอบแทนจากล l l a ให้ อ, อ่านกุรานทุกวันอัมยาบูลูนับรอหรือว่าพวกเขาพูดว่า อิฟตรารอหูน บ, บีมุ h a m เรกปอมแปลงกุณอ่านขึ้นมาอิฟตาร์แปลว่าปอมแปลงกุลมุ hammad เออยงกล่าวกับคนที่ที่ตำหนิกุลอ่านว่ามุ h ม m m a d เป็นคนปลอมแปลงกุลอ่านในพวกว่อย่างนี้อีนิฟตารอยตัวูท่าฉันปลอมแปลงกุลอ่านขึ้นมา ف ล, ล, ลาตำหนิกูอ น, น, น, อกอ น, กนอาลีมิแนลลอฮิใสะ พวกท่านไม่สามารถที่จะต่อต้านการลงโทษของฉันได้เถอเอลัลลอฮ์จะลงโทษคงไี้ปรอมแลงกุรานอยู่แล้วนะและถ้าเถ้าอาลัลลอฮ์ลงลงโทษฉันนะคุณช่วยฉันได้ไหมล่ะช่วยไม่ได้ฟาราตัมลกูนาลีท่านไม่มีอำนาจที่จะช่วยเหลือฉันจากการลงโทษใดๆจากอาลัลลอฮ์ฮุวาะแลมูบีมาตาฟีดูนอลลัลลอฮ์อัลลัลมทรงรู้ดียิ่ง ดีมาสิ่งที่พวกเขาตูฟีโดนแปว่าพูดพล่อยๆเกี่ยวกับอัลกุรอานตำนิอัลกุรอานดาอัลกุรอานแล้วก็าใส่ได้ว่ามุมัดแต่งคำพิกลอานขึ้นมาเองถามว่านาบีแต่งกุรอานขึ้นมาเองเปล่าไม่แต่งเพราะนบีเขียนไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกกาฟาบิฮิชาฮิดา กษาตริไปว่าพอเพียงแล้วชาฮิดาเป็นเป็นพยานใบนี้ว่าใบนันกลมในระหว่างชั้นและระหว่างสูเจ้าคืออัลลอฮ์เป็นพยานผู้เดียวนะ่ะพอแล้วไม่มีใครเอากราก็รมีปัญหาจะอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รับรองใช้ได้แล้ววาัวลกฟูรุลรอฮีมนี่คือสัอัลลอฮ์อัลล์ผู้ทรง ให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอต่อมาอายาที่เก้าสุรอายาติตัวการจะบอกว่ามุฮัมมัดไม่ใช่เป็นคนแรกที่มาในโลกนะไม่ใช่แต่คนอาหรับมันไม่เคยมีนบีมาก่อนในโลกอาหรับไม่เคยมีนบีมาก่อนมีอย่ี่อื่นหมดเลย น, นบีกอร์ซูลที่มาในโลกหนึ่งแสนสองมื่นสี่พันท่านนะแต่ในโลกอาหรับไม่เคยมีมาก่อนและไม่รู้ พอมามัดมานี่ก็ดา่านุนด่านี้ตำหนินุนตำหนินี่เรวก็เล่บเาบอกว่ากุลมัมัดเอ๋ยจงจงประกาศให้คนอาหรับในนครมักการู้ว่ามากุนตูบิดนามมินารุสุนชั้นไม่ใช่เป็นรอซูลคนแรกจากบรรดารอซูลทั้งหลายที่มาในโลกรอซูลนี่ไม่มีรอซูลนบีรวมแล้วน่าแสนสองสี่พันคน แต่ไม่เคยมีในโลกอารับมีที่อื่นมีพวกอาร์ตมุตพวกนบีนัวใครจะใครนุ่นนะแต่ในโลกอารับไม่เคยมีมาก่อนนบีคนสุดท้ายคือนบีอิสมาอีนใช่ไละแล้วก็นบีมุฮัมมัดมีกี่ปีกว่าจะกว่าจะมาเนะี่ยเป็นพันๆปีนะวามา่มาอาดราีมาเยฟอาลูบีวะลาอับบคุมา อาจารย์บอว่ฉันไม่รู้นี่นบีบอกเองบอกว่ฉันนี่ไม่รู้มายุฟอาลูบีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันพรุ่งนี้พูดว่ามัมะ ม, ะมะนันรู้เรื่องลับๆเยอะเราก็ตอบพระ น, นบีบว่านาบีละอัจริ์ันไม่รู้ไม่รับรู้อะไรเลยมายุฟอาลูบีอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันฉันจะถูกฆ่าเมื่อไร ย, ยังไม่รู้เลยตัวจะถูกไล่ออกจุกนครมักกะก็ไม่รู้ หรือว่าจะมีวะฮีลงมาหมา่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาบิคุมและอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกท่านฉันก็ไม่รู้เกิดกับฉันฉันก็ไม่รู้เกิดกับคุณฉันก็ไม่รู้ทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดความเป็นความตายเนี่ยใครรู้บ้างอะ่ะไม่มีใครรู้อะไรจะเกิดขึ้นพวกนี้เราก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกข้างหน้าอีกสองนาทีเราก็ไม่รู้จะน่าให้ ให้เมอบมายตนต่ Allah ให uh ้หมดฉันที่ฉันนี่ไม่มีอะไรเลยอัตเบียฉันปิบัติตามอลอเว้นแต่สิ่งที่ถูกวะฮให้แก่ฉันเท่านั้นฉันนี่ปฏิบัติตาม สิ่งที่ถูกวาฮีให้แก่ฉันเท่านั้นถ้าไม่มีวาฮีนบีก็รอมีคนมาถามว่ารู้ฮาคืออะไรนบีนั่งรอสักห้าหกนาทีเดี๋ยวยืดดินก็ลงมาบอกว่าเรื่องวิญญาณเปนเรื่องของฉันอลัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความรู้กับมนุษย์เรื่องเรื่องวิญญาณนาบีเองก็ไม่รู้เรื่องวิญญาณคืออะไรจะออกจะฆ่า ว, ว่ามาอาณาฉันไม่ใช่ใคร อิลานอกจากนาซีรุนเป็นผู้ตักเตือนแจ้งข่าวร้ายว่าถ้าทํานี้จะถูกแบบนี้ถ้าทําแบบนี้จะถูกถูลงโทษแบบนี้ก็เรียกว่านาซีเป็นผู้ตักเตือนโมบีนที่ทัดแจ้งเท่านั้นนี่พูดตัวเรื่องกูนพูดกับชุเ ร, เรื่องนาบีนะ กุลอร่อยตุมมุมัดเอ๋อจงกล่าวกับคนอาหรับมุสลิกในนครมะกะบอกว่าพวกท่านเคยสังเกตไหมอิงกานามินอินดิลาถ้าคําพิเศษคุณอานนี่มาจากอัลลอฮ์จริงๆว่กัฟาตุมและพวกท่านเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธกุณอานวันนู้นในวันหนึ่งสรปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอ่านลงมาพวกนี้ก็ปฏิเสธหมดอัลลอฮ์ก็บอกให้มุมมัดประกาศ อาดมุชริกมุชริกีในนครมาก็เอ่ยเคยสังเกตไหมถ้าหากกูณานเนี่ยมาจากอะไรจริงๆว่ากับวัตถุและพวกท่า น, นปฏิเสธมันว่าชาฮิดาชาฮิดุนและชาฮิดประพยายนมีพยายนคนหนึ่งได้ยืนยันพยายนคนนี้มาจากไหนมิบันีอิสรา อ, อีนจากบันีอิสรา อ, อีนมีพยายนคนหนึ่งจากบันีอิสรา อ, อีนมายืนยัน ว่าคนที่จะมา น, บ, น บ, บีมูฮัมหมัดที่จะมานี่น่ะคนที่ยืนยันในใครจะมามีสองรายงานบางคนบอกว่าน บ, บีน บ, บีมูซาอะลลอฮิสาลาห ม, มาอธิบายให้ฟังแล้วในคัมภีร์เตาร้อนนี่เขแบอบกว่าจะมีน บ, บีคนสุดท้ายชื่อมูฮัมหมัดเนี่มาแล้วก็ลักษณะแบบแบบน บ, บีมูซาเลยหนึ่งจะได้รับถูรบวบบรทธิที่ที่ภูเขา แล้วก็ถูกไล่เ อ, อกตัวนครมกานบีมูซ า, าก็ถูกไล่จากเมืองอียูจะมาไปอยู่ต่างประเทศ ต, ต, ตั้งแปดคราบไปเลียงแพะคือลักษณะเดียวกันแบบนบีมูฮัมหมัดเนี่ยล่าให้ฟังก่อนล่วงหน้าแล้วก็่อเที่นบีมูฮัมมัดจะมาวาชาฮิดาชาฮิดชาฮดุมบิมบันีอิสราเอลุอาลามิสลิฮีเยี่ยมเขาคือนนบีที่จะมาเนี่ยเสด็จมาคือเบียนมาเนี่ยลักษณะคล้ายๆนบีมูซาเลย คือถูกแต่งตั้งนบีถูกแต่งตั้งที่ภูเขาอะไรภูเขาฮิร้อใ ช, ใช่ั้ยใช่นบีมูซาถูกแต่งตั้งที่ภูเขาโตดแล้วก็ถูกอพโยบจากนกจากอีญีปไปอยู่ประเทศมัดยานนาบีก็ถูกไล่ออกจากนครมั ก, กาไปอยู่ที่มาดินาะถูกด่าถูกขว้างถูกใส่ร้ายบทนบีมูซาก็เหมือนกันทือรูลตามตัวจะจับจะฆ่า คือนบีมูซา่านี่มาเล่าให้ฟังแล้วว่านบีจะมาเป็นนบคนีคนสุดท้ายจะเกิดที่นครมักการนี่แหละแล้วสนาคล้ายๆเขาเนี่ยฝ่าามานะเขาศรัทธามั่นใจว่ามูฮัมหมัดมาจริงวัสจักบาตูแต่พวกท่านนี่ยกับโอหังอวดดีเย่อหยิงจ้าของไล่นบี ม, มูฮัมหมัด อินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮนัลลาญาดีไม่ทรงชี้นาแนะนําอัลกาวะว่ากลุ่มชนที่รอเลี้ยงรอเลีที่คนที่อาธรรมเนอลราจะไม่แนะนําทางนําให้สรุปหกอายาวันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องวันเกียรมามีจริงคนที่เป็นคนที่รักกันในวันนี้ถ้ามาเช่รักกันเพื่ออัลลอฮนัเป็นศัตรูกันหมดแต่สิ่งที่เขาบูชาจะเป็นบุ บูชาอะไรก็ตามไปในวันเกี่ยมาสิ่งที่เขาบูชาจเจวตเนี่ยไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็คนที่ว่ากุลอ่านตำหนิกุลอ่านบอกว่าเป็นมายาโกนบบที่ผ้าเหยียบเหยบกุรอ่านเนี่ยอัลลอฮ์มีอะไรกุรอ่านมีอะไรนั่นหละเหมือนกันทุกเล่นงานหมดทำมาตัวบาตัวต่ออัลลอฮ พวกอาดับไซรว่ามอมมาแต่งแต่งคุรานเองอัลลอฮ์บอก จ, จงกล่าวเถิญมอมมดถ้าฉันฟอมแปลงคุรานเขียนคุรานขึ้นมาเองฟาลาตัมลิกูนาลีมินอลลอฮิชัยอาท่าฉันถูกลงโทษพวกคุณต่อต้านช่วยเหลือฉันได้ไหมไม่ให้ถูกลงโทษมันก็ทําไม่ได้ฮุวอาอะลลมูบิมาตูฟีดูนอัลลอฮ์ทรงรู้ดีเสียงทุกเขาพูดพล่อยๆ ใครที่พูดตำหนิด่าอัลกุรอานอลอสบรรทึกไว้หมดเลยนะถ้อยคำถ้อยคำถ้อยคำของเขาไว้คำพูดแรงๆที่ด่ากุรอานด่าอิสลามมันูบรรทึกหมดนะของเรานี่แหละอายะที่9ก้าุลมาคุนตูบิดยามมินารุซุนฉันไม่ใช่เป็นนบีคนแรกรู้รสุนคนแรกที่มาในโลกนี้นะ รอซูลที่มาในโลกนี้นะมีเป็นแสนน่ะฉันไม่ใช่เป็นคนแรกฉันเป็นคนสุดท้ายก่อนหน้านบีมูซาก็นบีอีสาก่อนนบีอีสาะก็นบีมูซาอะละฮิสซาลามแต่ใคนอาหรับมันไม่เคยมีน บ, บีมาก่อนบอ่หมอมหาตมางงเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเพราะไม่เคยมีน บ, บีมาก่อนท่านน บ, บีมาเมืองไทยก็วุ่นยังอะ เพราะมันไม่เคยนบีมาก่อนไม่เคยนบีไม่เคยมีนบีมาก่อนก็ไม่รับกันหรอกกูอรอัลอฮ์อตุ้มมุฮัมมัดเ อ, อจองกล่าวกับคนอา랍โมชลุกในนครมักกะถ้าหากว่ากู ร, ร์อ่านนี้หรือว่ามุฮัมมัดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์จริงๆว่ากับฟาตุละพวกท่านเนี่ยกับปฏิเสธมุฮัมมัดหรือปฏิปเสธกูรอ่านนี่นะ วะชาฮิดะชาฮิดุมนินบานีอิสราอินแต่คนที่มาก่อนหน้าเนี่ยเช่นนบีมูซานี่ยเขาก็ยืนยันว่าคนกุอนอาเนี่ยจะต้องมาจริงแล้วมุฮัมมัดจะต้องมาจริงแล้วก็อาลาไมซีนิสัยเหมือนเหมือนการมารยาทเหมือนเขาๆนี่แหละอะไรบ้างถูกแต่งตั้งที่ที่ที่ภูเขาแล้วถูกราจนครมักะกเหมือนกันเหมือนกับ น, นบีมูซา เ, เลยนบีมุฮัมมัดที่มาเนี่ย ถูกดา่าถูกใส่ร้ายถูกว้างถูกรังแกถ้านคนทำงานศาสนาต้องทำใจไว้เผื่อไว้เลยถูกดา่าในกรุณาญานี้ให้ให้กำลังใจพวกเรานะฝ่าามานาะพวกเขาคนที่มาคนที่ยืนยันคือ น, นบีมูซารเนี่ยเขายืนยันว่าเข า, เขาอีหม่านว่ามาแน่วัสตักบัตรงนแต่พวกท่านนี่กับโอหังอวดดี อินนัลลอฮ่าเตลัจีงอัลลอฮินาลายาดีไม่ไม่ชี้นำกลุ่มชนที่จอร์เจมพวกเราวันนี้ใครอยู่จอร์เจมกับอิสลามกับกับมุฮัมมัดกับกูร์รานเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ชี้ทางนำให้เลาปล่อยให้ลงอย่างนี้แหละหลงจนจะตายเนี่ยแหละแต่รู้สึกตัวไม่ไม่รู้สึกตัวเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นคนกี่โลกนะโลกดุนยาโลกโลกอัลามฮ์บาสลั่งดาโลกอาคือเราเปนคนสามโลก ไม่ใโลกเดียวแต่คนที่หลงดุนยาหก็คือก็อยากได้อะไรบนบนดุญญนยานี่ก่อนตายให้หมดเลยใช่ไหมแต่ความจริงไม่ได้บนดุนยานี่ก็ได้แต่ไปได้หลังตายมีใช่ไหมมีได้หลังจะฟื้นขึ้นมาเพราะดวอ้างกันก่อนขอดวงอ้างเราให้ห้าอย่างหนึ่งขอแล้วได้เลยส่อของสองขอแล้วได้ชาขออย่างหนึ่งได้อีอย่างหนึ่ง ขอแล้วไม่ได้แต่แต่ไปได้หลังตายข้อที่ห้าขอแล้วไม่ได้ไปได้ในโลกอาภีร์นี่ดูอาของมุสลิมเนี่ยอลัลลอฮ์ให้นบี ม, มาสอนะต้องขอดูอาเยอะๆอย่าเป็นคนที่ไม่ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ขอแล้วอลัลลอฮ์ให้หรายการให้หนึ่งในห้านะหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้า ส, สามสมขออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอให้ได้ได้ลูกผู้หญิง อ้อนร้องให้ลูกผู้ชายขอลูกผู้ชายอลอนร้องให้ลูกผู้หญิงข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาลาไม่มีอธิบายยังไงขอให้ได้ร้านหน้าซีคอนยกตัวอย่างขอมาห้าปีแล้วไม่ได้อลอนร้องก็ให้มาให้มาปีที่ห้าให้มีบาราให้ร้านมาร้านหนึ่งเปิดที่หน้าซีคอนพอเปิดภาพเนี่ยไฟไหม้อายห้าปีที่ขอมาเนี่ยบาลาไม่มีพอพบ พอเปิดปีที่ปีทีห้บาบรลดาตามมาแล้วก็มีลูกตายเด็กตายในร้านอ่านมะไรอย่างเงี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครเอานี่การการขออนุญาตดีอย่างนี้แหละอินนัลลอฮ์ฮะลาอิฮ์ดีลุงกาวมัลลอริมีนแท้จริงอัลลอฮไม่ทรงชี่นน้กลุ่มชนที่รอเลม ถึงที่สําคัญที่สุดสําหรับมุสลิมก็คือต้องนมาหให้ครบวันละหเวลาให้บ้านมีบริการให้ทากี่ข้อนะ8ข้อนะข้อที่หนึ่งก่อนเข้าบ้านให้ให้ให้การบิสมิลลาข้อที่สองให้นมาหในบ้านให้อ่านกุณอ่านที่บ้านข้อที่สี่เมื่อถึงเวลานมาห์ต้องปลุกคนในบอกคนในบ้านให้นมาหข้อที่หให้อ่านให้กล่าวว่าอัสตักุยรุลลรอดในบ้านข้อที่หให้กล่าวว่า ให้ต่อบาตตัวต่ออัลลอฮ์ในบ้านอัสตักรุลลอฮ์ในบ้านเยอะๆแล้วก็ถ้ามีออฟฟิศที่บ้านให้เปิดออฟฟิศแต่เช้าข้อสิแปดเดี๋ยวทอลอกรับเพื่อนบ้านตัวเองให้อภัยเพื่นบ้านไปเถอะเขาด่ามาม่ต้งด่าตอบเราส่งผลผลอาหารไปให้เขาอีกนี่คือหลักการอิสลามไปหมดแล้วทั้งหมดในมีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็ดูนบีมาเป็นบุคคลตัวอย่าง ถูกดา่าถูกรังแกถูกคว้างเคยโตอตอบไหมละนบีนะไปเมืองต อ, อีกมันถูกคว้างถูกดา่าถูกไล่โตอตอบเปล่าไม่โต้อตอบเอาล่ะให้นบีขึ้นนีรอดอีกนะไปเห็นเหตุการณ์ข้างบนนะมันหนากว่าข้างล่างเยอะเลยให้อาภัยหมดเลยวันเกียร์มามีจริงไหมมีจริงนะตาแล้วต้องฟืนจริงมาจริงแต่คนกาเฟไม่เชื่อนะ คนกาฟเฟ่บอกว่าวันวันเวลาทำให้เราตายใช่ไหมแต่เราไม่เชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่าที่เราตายเนี่ยเพราะอัลลอ์ให้ตายไม่ใช่ ว, วันวันเวลาทำให้เราตายอยู่ไปอยู่ไปแก่ตายเองไม่ใช่มาควอผมก็เชื่อแบบนี้แหละอยู่อยู่ไปก็ตายเองบาวันเบืทําให้ก็ตายอันนี้อันนี้อักิีดาผิดนะวันเวลาอัลลอฮ์ให้มาแต่ว่าความเป็นความตายเนี่ยอัลลอ์ให้เป็นให้ตาย ให้ใครเจริญให้ใครก้าวหนะ้าให้เขาตกตกตามก็เอาลอดทั้งหมดที่เรามานั่งที่มัสกิดได้เนี่ยเพราะเอาลอดเมตตาเรานะ ใครมีอะไรถามไหมครับสงสัยอไะไรบ้างถามมาเล็ก ม, งสงส ม, <c oughs> มีอะไรสงสัยไหมฮึมอายาที่สิ คุณจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์อัลุลฟุตนเคยคิดบ้างไหมอิงกานามีนอินดิลลาถ้าหากคุรานหรือนบ ม, มีมูฮัมหมัดเราส่งมาจริงๆวกกัฟาร์ตุมและพวกท่านปฏิเสธดีวะชาฮิดาชาฮีดุมมิมบานอิสแต่พวกบานีนอิสลนยมีอยู่คนหนึ่งเชื่อราชน่อา ม, มูซ่าเขายืนยันเขารับรองว่าเป็ น, ปนมาจากอัลลอ์จริงคุณจะตอว่าไง ทำไมอ้างบัิอิสราเิลเพราะวันนี้คนที่ขวางกุรอนในใราณาค่ายบนณฑิอิสราเิลใช่ไหมละ่ะพวกยิวูดีินอเมริกาทั้งหมดนั่นแหละอาลามิสเลฮีคนที่มาเนี่ยลักษณะเสด็จมาเนี่ยเหมือนกับนบีมูซาทุกทุกอย่างเลยอะไรบ้างถูกแต่งตั้งที่ภูเขาถูกไล่ออกจนครมักกะ ถูกการแก้งโฉกลังแกงเหมือนกันนบนบีมูซาทุกทุกอย่างเลยฟาอามานะ่ะน บ, บีมูซาานิสัทธาวะมอมัดมาจริงและคุณอ่านริมีจริงวัสตักปรตนและพวกท่านกับปฏิเสธขอจะจาใช่ไหม ในยุโรปรับอิสลามก็เพราะอ่านผ่านครอานไปเจอกับเจอแล้ว ก, ก็ยอมรับกันหมดเลยแต่ครอานอิสลามเนี่ยจะนำหน้าจะเป็นเบอร์หนึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอินนัลลอฮ์ละยาดิลกาวมาซลอรีมีนี่คนจอเลมเนี่ยกาวมปลว่กลุ่มชนที่จอเลมอัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่ชี้ทางทางนำให้อย่างอเมริกาอัลลอฮ์ให้ตั้งเยอะนะ ให้ส่งดาวเทียมไปลงบงด ว, ง ด, วงดวงจันได้แล้วก็ตะ ก, ระต ก, การบูต์เยอะญิงแบบฟิลิปปินส์ไเราให้โน้นให้นี่เยอะญิงจองของอวดดีให้กอรูมนมีเงินเงินทองเยอะท่านี่จะเอาเงินเอาทองไปตับลิกสาสนาช่วยนบีมูซากลับทำอะไรขวางนาบีมูซาวันนี้ก็เหมือนกันมุสลิมถูกถูกจำแกทะเลาะกันทุกประเทศฝีมือใครอะ่ะเราก็รู้ใช่ไหมฝีมือใคร ที่สูดานทะเลากยังไม่จบเลยเนี่ยจากสูดานก็ถูกเชิญกับตั้งส0มรอยคนห้าสิบคนเนี่ยดีกว่าวัตบานไทยกับซาอุดีกสนิ์กันนะเาก็ช่วยเหลือกันอะไรกันที่ทะลาะกันในโลกนี้ยฟิมูยานูตบิสรรอินทั้งหมดนั่นแหละพะเขารู้ว่า้ามุสลิมรวมกันเมื่อไรยาฮูดีตาย มีใครสงสัยอะไรัไร้มมาเลีกไปมีแล้วนะถ้าค่อยๆ อ, อ่านจะเจอกออันอญญายาที่สิบห้าเนี่ยวรนอินซาณมวาลฮอิฮานาเราได้สังเสียมนุษย์ให้ทำดีกับพ่อแม่ของเขาของพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดนะ ตำแหน่งรองจากอัลลอฮ์เลยแต่พ่อแม่เนี่ยขอร้องให้พ่อแม่ตัวเองถึงจะตายไปแล้ว10ปี20ปีก็ขอไปเถอะขอว่าไงราเ บ, บิยกฟริลีวะลิวาลิใจะวัดฮัมฮูมากระมารับบาาัญญัตนสวรรคราพ่อทุกคนมีพ่อมีแม่หมดนี่อัลลอฮ์สั่งานอายะที่15ฮัมัลัตหูอุมูหู นี่พุทธเจ้าแม่ก่อนแม่เนี่ยอุ้มคันกูรทหารโดยความยากลําบากว่าวดอ้ออัดหุกู้ทหรแล้วตอนตอนคลอดออกมาตอนคลอดออกมาจากคันมารดาก็ลําบากอีกว่าหมลูหูว่าฟิซอลหูลหูอุ้มคันแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงนมนะซาลาซูนนะชารอนสามสบเดือนกี่ปีสามสิบเดือนนะี่กี่ปี สามปีกว่านะปีๆละสิบสองเดือนสอัลลอฮกล่าวหมดเลยนะสามสิบเดือนซาลาซูนะชาอรอนี่บุญคุณของแม่นมีใหญ่กว่าพ่อพ่อกับแม่เนี่ยต้องดูตัวเอาใจแม่มากกว่าพ่อนะพ่อพ่อเนี่ยใจแข็งนิดเล็ก แม่เนี่ยอ่อนแอและห้ามทะลอะกับภรรยาด้วยเอาเงินในภรรยาใชา้พูดจาดีๆกับภรรยาพาภรรยาไปเที่ยว บ, บางอะไรบางพาไปทำอมรอดด้วยจากกุรอานเนี่ยทำให้เราหัวใจเรานิ่มนวลขึ้นนะอันอันกุมภารเนี่ย นัตตมาอีรา่บาลโกอาชุดดะหูวาบาลโกอารบไหนสัสสมะ อ, อายุสี่สิบต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยแล้วอายุสี่สิบนะอารบไหนัสสันมะ อ, อายุใครที่อายุสนะี่สิบเนี่ยเลิกเลิกเลิกทำความชั่วได้แล้วมาต้องรอสี่สิบต้องฝึกแล้วล่ะใครอารบไหนัสสนะสน อ, อายุสี่สิบต้อง ต, <PTSD> ต้องขอดูต้องทาความดีต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจากคุรานอายที่ห้าสุรออฟนะามดมบิลนะซุบฮานะกัลลอฮมะวะบิฮัมดิกะชดวลาอิลาฮิลลอนตะอัตัุกะะตบยวะุลฮามดะลออลีวะซบี ล้าหมอนในบ้าน